มืนกักรอกสมัครอะไรสักอย่างครัภูมิหลังนะกรอกต้องประวัติเดิมก่อนนะนะฉันใดก่อนที่ใจจะเห็นก็เหมือนกันภูมิเดิมว่ากรรมตัวไหนในอดีตมานําเกิดก็เรียกว่าผวังก็เกิดขึ้นสขณนะนณะอติแต่ผวังภวังขจรณะผวังคู่ปัจเจทาเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้สมขณะคือ3ประเภทนะนะไม่ใช่ว่าสขณะจริงๆผวังอันเนี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อผวังหมุนกลับไปแล้วหรือผวังตัดออกไปเนี่ยผวังคู่ปัจเจธะต ผวังคู่ปัจเฉทะตัดกระแสผวังไปกิริยามโนโธาตุทำอาวชนะกิจก็เกิดขึ้นเรียกว่าจากักผูทวาราวัชนะเรียกนะว่าอาวัชนะที่จะเห็นรูปนะจกักผูกทวาราวัชนะก็คือการรำพึงที่จะเห็นรูปเรียกว่าจากักผูกทวาราวัชนะเมื่อจกักผูทวาราวัชนะดับไปจักผูวิญญาณก็จะทําทัศนกิจคือการเห็นเมื่อทัศนกิจดับไปวิบากมโนโธาตุสัมปติชนะกิจก็เป็นไป วิบากมโนธาตุก็คือสัมปติชนะจิตนั่นเองเมื่อสัมปติชนจิต ด, ดับไปมโนวิญญาณธาตุคือสันติระณะอนนะที่ทําสันติรณะกิจเป็นไปสันติรณะกิจก็ดับไปจากนั้นมโนวิญญาณธาตุที่ทํากิริยาจะให้โวทัพนะเป็นไปโวทัพนะกิจนั้นดับไปชาวนะจะเล่นไปเจครั้งชาวนะทั้งเจนั้นดวงที่หนึ่งเรตองเอ่อกระวัตถึงอย่างนั้นชาวนะดวงที่หนึ่ง ที่จะแลตรงแลซ้ายแลขวากำหนัดขัดเกืองลุ่มหลงวันนี้หญิงชายก็ไม่มีแม้กระทั่งดวงที่ 1, 2, 3, 4, 5, ส้าดก็ไม่มีแปลว่าชวนะที่เกิดในจกักขุทวานเนี่ยโดยธรรมดาของมันแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายนี้เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะ ชวนะในจกักรคูทวานมีประมัดเป็นอารมณ์อย่างเดียวคือมีแต่สีเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับกล้องบรรยา อ, อนที่มันเก็บแต่ภาพได้เท่านั้นแหละมันไปรายละเอียดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะก็ถามว่าสมมติว่าเราถ่ายภาพโดยใช้กล้องกดแครกเข้าไปแล้วได้ภาพมาเนี่ยกล้องมันรู้อะไรบ้างในนั้นตัวมันเองมันรู้อะไรบ้างไหมฉันใดวิถีจิตเหล่านี้ที่เป็นไปก็แค่นั้นจริงๆก็มีแค่รวังนะรวัง อธิตัดวังภวังทัจระณะผวังคู่ปเฉท่าดับไปนะจากขูทวาราวชนะก็เกิดขึ้นเมื่อจากขูทวาราวชนะเกิดขึ้นจิตเห็นก็เกิดเมื่อจิตเห็นก็มีจิตรับจิตใคร่ครวนจิตตัดสินอารมณ์แล้วก็ยังลงสู่ชวนะเจดครั้งเมื่อวิถีจิตเหล่านี้ดับไปเนี่ยนะตั้งแต่ดวงแรกไปจนถึ ง, งดวงสุดท้ายก็เป็นการดับไปโดยลําดับเนี่ยนะก็มีการแตกดับไปโดยลําดับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะในตัวมโนทวารเนี่ยที่เกิดขึ้นนี่แหละ จึงเกิดความกำหนัดว่านี้หญิงนี้ชายมโนทวารเนี่ยนะก็จะเกิดรับเป็นอะไรนะวิถีจิตปัญจทวารวิถีดับไปมโนทวารวิถีก็ตามมามโนทวารวิถีก็จะเป็นอะไรวิถีแรกนะวิถีแรกก็เป็นนะวิถีที่รับอารมณ์ตามประมัดนั่นแหละนะ เ, เรียกว่า สุทธามนุษอะไรไปแล้วนะปัญจทวารวิถีตัทโ น, น, นวัติกามนทวารวิถีใช่ตัทโนวัติกาก็คือวิถีจิตที่ไหลไปตามปัญจทวาร น, น่ยนะส่วนรายละเอียดโดยพิสดารเนี่ยนะเดี๋ยวว่าไปก็จะยาวก็ดูในประเฉดสีเนี่ยนะในวิถีจิตประเฉดสีจะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะมีวิถีจิตหลายร้อยประเภทก็ไปดูเอาแต่ว่าว่าง่ายๆภาษาไทยไทยเราก็บอก ว, ว่าการดูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเห็นนะมันมีจิตเกิดดับเป็นไปนะ มันมันจึงไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นจริงๆท่านอยากพูดแค่นั้นะว่ามันเป็นกากระแสะแห่งความรับรู้ที่ไหลสืบเนื่องในทวารตามันไม่มีใครอยู่ในนั้นนะท่านอยากบอกเราแค่นี้จริงๆยกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อรูปปรากฏในจักขคูทวารแล้วต่อจากนั้นภวังคจารณะเป็นไป เมื่อวิถีจิตมียวชนะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอํานาจรำกิจของตนให้สําเร็จในที่สุดชวนะก็จะเกิดขึ้นชวนะที่เป็นไปเหมือนกับชายที่เป็นแขกของวิถีจิตมียวชนะเป็นต้นที่เกิดก่อนเยี่ยมมาถึงประตูคือจากขุทวานที่เหมือนกับเรือนเมื่อวิถีจิตมีอาวชนะเป็นต้นเนี่ยนะไม่กําหนัดขัดเกือยงลุ่มหลงในจากขุทวานก็เท่ากับว่าเรือนของอาวชนะเป็นต้น ส่วนชาวนะนั้นจากกำหนัดขัดเครืองลุ่มหลงก็ไม่ถูกเหมือนกับชายที่เป็นแขกเข้าไปขออะไรบางอย่างที่เรือนคนอื่นเมื่อเจ้าของบ้านนั่งนิ่งจะทําการบังคับไม่ถูกฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเหมือนอคันตุกะก็คือพิจารณาแบบแขกทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะว่าพิจารณาแบบมูลปริญญาก็คืออะไรก็คือมีความเข้าใจในวิถีจิตว่าเออจิตเมื่อเกิดขึ้นนะประกอบด้วยอะไรบ้างพวังอาวัชนะจักขูวิ ญ, ญญาณสัมปติชนะสันติระนะโวธพนะแล้วก็ ชวนะอันนั้นมีอยู่เจ็ดกลุ่มเนี่ยนะมีจิตอยู่เจ็กลุ่มด้วยกันเพราะมันอันนี้เป็นมูลของการเห็นเท่านั้นแหละเสร็จ แ, แล้วอ่าแล้วแบ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องการเห็นเนี่ยใครเป็นเจ้าถิ่นใครเป็นแขกจรนมาพวังอาวัชนะจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติระนโวธัพนะอันนี้เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนที่อยู่ประจาบ้าน ชาวนะเป็นเหมือนกับแขกที่จอมาเพราะชาวนะมีราคะบ้างโทรศัพท์บ้างแขกก็จอมาถามจริงๆเหอะจากครูวิญญาณเนี่ยสัมปติชนะสันติรณนะมีโลภะโทรศัพโมหะไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านนั่งนิ่งๆแขกทําไมมาเอะอะโวยวายอยู่ได้เหมือนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรที่จะแขกจะมาทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นควรจะคล้อยตามเจ้าของบ้านเขาสิจากคูวิญญาณสัมปติชนะสันติระโะวัฏภนะนเขาไม่มีราคาโทรศัพโมหะเลยแล้วคุณชวนะคุณจะไม่มีราคาโทรศัพโมหะทําไมเนี่ยนะแต่ว่าแขกนี่มันใหญ่เหลือเกินเลยนะส่วนตาวะกาลิกะเนี่ยนะของชั่วคราวเขาบอกว่าจิตมีโวัฏภนะเป็นที่สุดที่เกิดขึ้นในจกักขคุทวานเหล่านี้เนี่ย จะแตกดับไปในที่นั้นๆันั่นแหละพร้อมกับสัมปายุต ธ, ธรรมจิตเหล่านี้ไม่เคยเห็นกันเลยเช่นพวังคจิตนี้เคยเห็นจากอาวชนะไหมไม่เห็นอาวชนะมันก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นจากคูวิญญาณจากคูวิญญาณก็ไม่เห็นสัมปติชนะสัมปติชนะมันก็ไม่เห็นสันติรณะสันติรณะก็ไม่เห็นโวฒภนะเพราะทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะทุกอย่างเหมือนชั่วคราว แม้แต่ว่าชาวนะที่จรมาก็ยิ่งชั่วคราวใหญ่เลยเปรียบเหมือนว่าเรือนหลังเดียวกันเนี่ยนะเมื่อคนคนที่อยู่ในเรือนเนี่ยตายกันหมดแล้วคนเดียวที่นั่งเหลืออยู่เนี่ยคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งธรรมดาก็จะตายอีกในไม่ช้าเหมือนกันชื่อว่าจะมีความร่าเริงในการฟ้อนรำเป็นต้น่ไม่ถูกใช่ไหมคนอื่นก็แค่ว่าตายตายตายตา ย, ตายกัตัวก็จะตายจะมัวร่ายรำอยู่ทําไมฉันใด อาวัชนาจิตสัมปติชนะอาวัชนาจิตทัศนาจิตสันตีรณะโวทภนะก็ที่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสัมปยุต ธ, ธรรมเนี่ยนะก็แตกดับไปในที่นั้นนั้นแม้แต่ชาวนะที่ยังเหลืออยู่ก็มีอันต้องแตกไปเป็นธรรมดาในไม่ชา้าเหมือนกานจะมีความร่าเริงด้วยอํานาจความกําหนัดด้วยโลภะขัดเกลืองด้วยโทสะโมลุ่มหลงอยู่ด้วยโมหะไม่ถูกต้องเนี่ยนะก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างที่พระองค์บอกว่า จะมัวร่าเริงบันเทิงอะไรอยู่เนอเนี่ยนะเกี่ยวกัเมื่อโลกเกี่ยวกัอันไฟลุกโชนอยู่เป็นนิดอันนะีหรือเมื่อความมืดปกคลุมอยู่ทําไมไม่เรียบสแงสงแสวงหาแสงสว่างเล่าไม่สแสวงหาแสงแห่งประทีปเล่าน่ยนะจะตกปิดอยู่ทําไมจะมัวเพลิดเพลิอนอยู่ทําไมเป็นต้นเนี่ยนะการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาโดยอสัมโมหะไม่ลุ่มลงในขณะเห็นเพราะในขณะเห็นก็ไม่ใช่ไม่มีความเชื่อว่าใครเห็น แต่อาศัยจากขู่กับรูปการเห็นจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดความเห็นเกิดขึ้นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณสามอย่างประชุมกันนั่นแหละเป็นภาษะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็มีตัณหามันโดยมากเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษารอบรู้ว่าตาคืออะไรสีคืออะไรการเห็นคืออะไรสัมปติชนะสันติระนะวัฏพนธะคืออะไรใจก็จะเพลิดเพลินเนนะเมื่อใจเพลิดเพลินทั้งหลายตัณหาก็ตามมา หรือว่าถ้าเห็นไม่ถูกใจก็โทสะก็ตามมาไม่มีการใคร่ควรวญโมหะก็ตามมาเพราะฉนั้นศิกขาสามก็ไม่เจริญเมื่อไม่เจริญศิกขาสามที่สุดแห่งทุกข์จะอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะพ้นจากทุกข์เหมือนกันเพราะว่าดูด้วยความกําหนังก็เป็นโลภะดูด้วยความขัดเกืองก็เป็นโทสะดูด้วยความรุ่มหลงก็เป็นโมหะความกำลังเนี่ยทาให้อธิ จ, จิตตสิกขาแตกทําลายไป โทสะทำให้อธิศีและสิกขาแตกทำลายไปโมหะทำให้อธิปัญญาสิกขาแตกทำลายไปถ้ า, ากุศลธรรมเหล่านี้จเจริญเท่าใดกุศลธรรมทั้งหลายก็เสื่อมเสียหายไปเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งวิธีพิจารณาที่ไม่ให้ลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะลุ่มหลงงมงายก็คือโดยการพิจารณาขันอายตนะธาตและปั จ, จัจเช่นจักขุและรูปเป็นรูปประขัน ตากับสีนะตัวตาเนี่ยลูกตาเนี่ยนะสัมภาระจากสุภาษาธาจากสุก็ตามหรือสีภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นรูปประขันแปลว่าอะไรคือสภาวะที่เสื่อมสิ้นสลายไปส่วนการเห็นเนี่ยนะจิตที่เห็นเป็นวิญญาณขันกาเรเสวยอารมณ์หรือเวทนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณนั่นแหละเป็นเวทนาขัน สัญญาการกําหนดได้หมายรู้นั้นเป็นสัญญาขันธ ร, รัมมีผัสสะเนี่ยนะผัสสะเจตนาเอกคตาชีวิตินทรียมรัสการที่เกิดพร้อมกับจักรคูวิญญาณเป็นสังขารขันธเหล่านี้มาประจวบกันเข้าการแลตรงการแลซ้ายแลยขวาจึงปราโกดจริงๆอะ่ะที่มองเห็นเนี่ยเพราะขันธห้ประชุมกันถามว่าขันธหน้าอยู่ที่ไหนลืมตาปั๊บนี่ยแหละขันธห้าประชุมการการเห็นจึงเกิด ถ้าไม่มีขันห้าประชุมกันการเห็นไม่มีถ้าไม่มีขันห้าประชุมกันจะไม่ได้ยินเสียงถ้าขันห้าไม่ประชุมกันจะไม่รู้เปลี่นถ้าขันห้าไม่ประชุมกันจะไม่รู้รสการสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าขันห้าไม่ประชุมกันจะไม่มีการสัมผัสแม้แต่เราคิดนึกเนี่ยนะถ้าขันห้าไม่ประชุมกันมันคิดไม่ได้มันต้องขันห้าประชุมกันแต่ขึ้นชื่อว่าขันก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตที่กําลังเป็นไปใน ปัจจุบันภายในฉันใดภายนอกก็ฉันนั้นเนี่ยนะหยาบชั้นใดละเอียดก็ฉันนั้นแล้วก็อะไรใกล้ฉั้นใดไกลก็ฉันนั้นซามชั้นใดประนีก็ฉันนั้นนั่นแหละมันก็เป็นศักดิ์แต่ว่าขันเท่านั้นก็คือเป็นกองแห่งขันเนี่ยบางทีก็แปลว่ากองทุกเหมือนไเป็นกองทุกล้นล้วนเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกไม่ทุกไม่จริงไม่เชื่อแต่ว่าการดูแต่ละครั้งเนี่ยมันสะสมทุก และการเห็นทุกครั้งโดยมากมันเป็นการขยายวัตฏะทั้งนั้นเนี่นะถามว่าโครงการขยายวัตฏะทํำยังไงก็เห็นให้มากๆที่สุดเท่าที่จะเห็นได้เพลินที่สุดเท่าที่จะเพลินได้นะั่นแหละคือการขยายโครงการวัตฏะให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้โดยปกติโดยธรรมชาติอัตโนมัติเนี่ยนะแต่ว่าการมาศึกษาพระธรรมคาสอนจริงๆก็เริ่มมาปฏิวัติปฏิปฏโสตะคามีมาปฏิบัติทวนกระแสเขาว่ากันปฏิบัติทวนกระแสเริ่มมาเรียนรู้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรถ้ามันไปตามเส้นทางนี่มันจบลงที่ไหน เราจะไม่ไปกับแกแล้วนะขันห้าเอ้ยแบบนั้นการที่ขันห้ามันไหลไปเขาเรียกอะไรรู้มไหมเรียก ส, ส, สังสาระสังสารเนี่ยนะสังสาระก็คือการไหลสืบเนื่อมไปแห่งขันอายตนะถ้าเรียกว่าสังสาระทีนี้เพิ่มคําอีกคาวัตตะเนี่ยนะวัตตะก็คือกระแสที่มันไหลไปบางอย่างเป็นกรรมเรียกกรรมวัตบางอย่างเป็นวิบากเรียกว่าวิปากวัตเนี่ยนะแล้วก็ความเศร้าหมองที่เจือปนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็น กิเลสวัตตะกิเลสวัตตะก็เชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมกรรมให้มีผลเรียกว่ากิเลสวัตเนี่ยนะท่านก็สังสาระคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปโดยเหตุโดยผลแล้วก็ตัวที่เชื่อมเหตุให้สัมพันธ์กับผลสืบเนื่องไปเรียกว่าสังสารวัตทั้นขณะที่เห็นก็มีแต่สังสารวัตเท่านั้นแหละที่เป็นไปคือขันอายตนะธาตุแล้วก็ระบบของกรรมวิบากและกิเลสที่ไหลสืบเนื่องวนไปก็มีอยู่เท่านี้เละ แล้วถามว่าในการแลซ้ายแลขวาเนี่ยมันมีแต่คันห้ามีใครสักคนมาอยู่ตรงนั้นแล้วทําหน้าที่รือเปิดตาเนี่ยนะเหมือนกับว่าตัวเด็กๆสักคนหนึ่งะนะหรือสามสี่คนก็ได้อีกคนหนึ่งวิ่งไปทําหน้าที่ลืมตาะนะเปิดหนังตาบนเปิดอีกคนหนึ่งไปดึงหนังตาล่างอีกคนหนึ่งรีบมาดูเลยรีบมาเห็นเป็นต้นมีไหมทําหน้าที่ประชุมกันแบบนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นแค่รู ป, ปรธรรมเนี่ยนะ รูปที่เสื่อมสิ้นและสลายไปแต่ว่ารูปเหล่านี้สังกิริโถเนี่ยนะคือสังกิริสะธรรมโตเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงสําหรับผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ถ้าว่าโดยอายตนะตาเป็นจักขว า, ายตนะอายตนะแปลว่าบ่อเกิดคือตาบ่อเกิดของจิตเจตสิกคือตารูป า, ายตนะบ่อเกิดของจิตเจตสิกคือรูป ตาเนี่ยนะมันถ้าสมมติว่าตาเนี่ยเป็นเหมือนกับตานา้ำะนะน้ําก็ทะลักออกมาไงนะเรีกวเหมือนกับก๊กน้ำนะฉันใดาตาก็เหมือนเป็นที่ประตูเป็นบ่อของไหลออกมาของจิตเจตสิกแล้วสีทั้งหลายมันก็ย้อนสะท้อนจิตเจตสิกไหลสืบเนื่องกันไว้ั้นตากับรูปเนี่ยเป็นบ่อให้เกิดจิตและเจตสิกไงเขาเรียกว่ามานายตนะไอ้จิตเนี่ยแหละเรียกว่ามนายตนะอายตนะคือตาสัมปยุต ธ, ธรรมมีเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นพวกนี้เป็นธรรมายตนะ ในขณะที่เห็นคืออายตนะสี่ประชุมกันเรียกว่าสี่บ่อประชุมกันการเห็นจึงเกิดขึ้น น, นะหรือเครื่องต่อสีกันนะอายตนะแปลว่าตัวเชื่อม ก, ก็ได้การเชื่อมกันสีอย่างการเชื่อมกัน ร, ระหว่างตากับสีเชื่อมกัน ร, ระหว่างจิตกับเจตสิกสมอย่างทำกิจประชุมร่วมกันนั่นแหละเรียกว่าอายตนะอายตนะประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าการเห็นเั้นการเห็นแค่ ก, การต่อเอาสี่อย่างมาต่อกันเท่านั้นเอง อายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมมรมคือธรรมายตนะมาต่อกัน4อย่างการเห็นจึงเกิดขึ้นนั้นการเห็นเป็นแค่อายตนะที่ประชุมกันเท่านั้นจึงไม่มีใครมาทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่คนผ่านเข้าใจผิดหรือการเห็นเนี่ยนะเป็นสักแต่ว่าธ า, าตุธาตุตัวนี้แปล ว, ว่าทรงไว้ซึ่งทุกข์เท่านันนะ้มันเป็นสิ่งชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงแต่เป็นภาชนะรองรับทุกข์ ตาเจ้ากรรมเออไปดูบางอย่างแนละ้วน้ําตาเออนองท่วมนะเคยไหมเค ร, ค ร, ครดูแล้วน้ําตาท่วมมาดูทําไมก็ไม่ทราบเนี่ยไม่ให้ดูก็ไม่ได้น้ําอยากดูอ่ะแต่ดูเสร็จเราเสียใจไหมเสียใจแต่อยากคือดูอยากดูเนี่ยนะออตาเจ้ากรรมเป็นนี้เลยครับว่าเขึ้นชื่อว่าตาเนี่ยคือธาตุชนิดหนึ่งเป็นภาชนะรองรับทุกข์คือน้ําตาเนี่ยนะ เป็นจริงก็ทุกอีกหลายอย่างนะทั้งทุกกายทั้งทุกใจทั้งเศร้าโศกทั้งเสียใจมันตาเนี่ยแปลว่าธาตุที่เป็นภาชนะรองรับซึ่งทุกสีก็เป็นธาตุสภาวะชนิดหนึ่งที่รองรับซึ่งทุกจักขูวิญญาณก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่รองรับซึ่งทุกแล้วก็ธรรมะธาตุคือพัสสะเวทน า, า, าเนาจตนาเอกคตาชีวิตินสีมนัสิกาเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นธรรมะธาตุที่สรงไว้ซึ่งทุกขณะที่เห็นคือขณะที่ธาตุสีประชุมกัน ก็ขณะที่เห็นเนี่ยนะพู้อีกสำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยกันก็คือขณะที่เห็นคือขณะแห่งสังสารวัตรสั้นๆขณะเห็นคือขณะแห่งสังสารวัตรสั้นๆขณะได้ยินก็คือขณะที่สังสารวัตรทางานเต็มที่แต่ละขณะแต่ละขณะสืบเนื่องไหลไปนี่เรียกว่าสังสาระนี่ยนะอย่างคนที่เห็นโทษในวัดตาก็คือเห็นโทษของการเห็นเห็นโทษของการได้ยินเห็นโทษของการรู้เปลี่ยนรู้รสรู้สัมผัสเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ธรรมะเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าให้ ให้กําหนดรอบรู้นะว่าทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้คือภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่ยนะฟังการที่จะรู้จักภาษาจะต้องรู้บอกเกิดของภาษาเนี่ยนะก็คือตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นเป็นต้นอั น, นี้ย้อนกลับมาว่าขณะที่เห็นจริงๆก็คือธาตุสีประชุมกันเท่านั้นเองธาตุสีคือจกักขุธาตุรูปธาตุจกักขุวิญ ญ, ญาณธาตุและธรรมธาตุอันนี้ก็ การพิจารณาโดยธาตุก็เป็นความไม่ลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะเป็นความไม่ลุ่มหลงงมงายไม่เลอะเลือนไม่เบลอไม่เลอะเทอะเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยมันโอ้ยอะไรนะเราเราเห็นเขาอุย้ยทางบุญตาเหลือเกินในตอนเนี้ยก็โอยว่าไปเรื่อยยาวเลยนะแล้วแต่จะสรรหาอะไรก็ไม่รู้นะมาหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งจริงนะคนมันมีความสุขกับการตกปิดที่จะรู้ความจริงไล่ความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาก็ไม่อยากฟังเลยนะโอ้ยเนียดเนีย โอโ้ยเนี่ยสีที่เห็นเนี่ยทุกทั้งนั้นเนี่ยฟังไม่ได้แต่ว่าโอ้ยงามมากเป็นที่ตั้งแห่งความสุขผู้ใดได้เห็นช่างสุขแท้ถ้าอย่างนั้นยิ้มแป้เลย <St ars> มันก็แปลนั้นว่าเออไม่ค่อยยอมรับความจริงก็เลยไม่ยอมเห็นความจริงสักทีหนึ่งก็เลยไม่ได้ตัสรุปอริยศาสตร์ที่เป็นความจริงเนี่ยนะท่านเราต้องมาสร้างคำว่าปรับทัศนคติใหม่ว่าเราต้องมีความสุขกับการรู้ความจริงสิทําไมเราจะต้องมีความสุขกับการถูกหลอกด้วย ถูกหลอกด้วยวิปลาดทั้งหลายมันจะไปโก้ตรงไหนความสุขที่เกิดจากความหลอกลวงเนี่ยมันดีตรงไหนหลอกว่าเที่ยงหลอกว่าสุขหลอกว่ายั่งยืนหลอกว่าเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่ใช่สุขแท้มันสุขปลอมๆ ม, มันต้องแสวงหาความสุขที่รู้ความจริงสร้างสามัญญสํานึกอันนี้ขึ้นมาว่ามีความสุขที่จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของอายตนะเหล่านี้มีความสุขที่จะเห็นความไม่เที่ยงของาธาตุเหล่านี้ขันเหล่านี้นะมีความสุขที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์จริงๆ มีความสุขด้วยปัญญาเรียกว่าสุขด้วยปัญญาสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เรียกว่าสัมโพทิสุขสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เนี่ยนะสุขอันนี้เป็นสุขที่ไม่มีโทษเป็นสุขที่ควรเจริญอนเป็นสุขโสมนัสที่ประกอบกับการเจริญการพิจารณาการเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เจริญสัพพันวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นไปกับสุขและโสมนัสพระองค์บอกว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นไปกับทุกโทมนั์เลยโดยที่แท้เป็นไปกับสุขและโสมนัสเพราะว่าจริงอยู่พระองค์ให้พิจารณาว่ามันเป็นทุกแต่ไม่ใช่ให้ไปคิดว่ามันแบบอะไรนะไม่ใช่ไปไปทุกเสองเท่าไหร่ให้ไปเห็นทุกไม่ใช่ให้ไปทุกพอคงพอเข้าใจใช่ไหมให้ไปเห็นของแหลมของมีโทษหรือไปให้เห็นตัวโรคไม่ใช่ให้ไปป่วยเลยนะแต่ว่าคนไม่ฉลาดก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่อยากพิจารณาหรอกพิจารณาแล้วค่อนข้างป่วย เอ๊ะมเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าไม่มีโยนิสโสมานาสิการมนาสิการแบบผิดพลาดการรู้ถึงความไม่เที่ยงแต่ตัวความรู้ไม่ได้เดือดร้อนเลยมีความสุขมากที่จะรู้ความจริงถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็มีความสุขที่รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเห็นอ่าโดยความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาก็มีความสุขที่รู้ความจริงเรียกว่าสุขที่เกิดจากการตรัสรู้แล้วสุขต่อไปอีกว่าถ้าหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ สุขแท้เนี่ยนะอันนี้นสุขแน่นอนก็คือการลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ลีกออกนั่นแหละที่เรียกวิวัตะวิวัตตนะเนี่ยนะวิวัตะก็คือลีกออกพลิกจากสังคตะเป็นอสังคตะลีกออกไปหาธรรมที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นความสุขแท้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่หลอกลวงแบบแบบลักษณะนี้เพราะว่าตาทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็หลอกให้ชอบเดี๋ยวมันก็หลอกให้ชังนะสิ่งเดียวกันอีกภาคหนึ่งมาโอ้ยดีใจมาอีกภาคหนึ่งแล้วก็หลอกให้เสียใจเนี่ยนะ สิ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็หลอกให้สุขเดี๋ยวก็หลอกให้ทุกข์เนี่ยนะเดี๋ยวก็หลอกให้เป็นไปโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องภาคเพียรเรียนรู้ที่จะให้ความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความรู้เท่านั้นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ความรู้ถ้ามีความรู้เท่าใดก็ปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยนะเพราะความรู้ตัวนี้แหละที่จะทําให้พ้นทุกข์เนี่ยนะมันขอให้มีความสุขในการที่จะเรียนรู้เนี่ยนะ ความสุขที่เกิดจากความรู้แต่ความรู้ต้องประกอบไปด้วยองแปดนะความรู้คือสัมมาทิฏฐิต้องประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นอีกประการหนึ่งเนี่ยจะพิจารณาโดยปัจจัยก็ได้ว่าขนาที่เห็นคือขนาที่ปัจจัยประชุมกันเช่นตาเป็นนิสยะปัจจัยของจักขคู่วิญญาณรูปเป็นอารมณปัจจัยของจกักรูวิญญาณ จักรคูทวาราวชนะเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอุปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตะปัจจัยแห่งจักรคูวิญญาณแสงสว่างเป็นประตูปนิสยปัจจัยแห่งจักรคูวิญญาณเวทนาเป็นสหชาติปัจจัยแห่งจักรคูวิญญาณเพราะฉะนั้นการตัวที่เห็นในตัวคือจักรคูวิญญาณปัจจัยเหล่านั้นประจวบกันขึ้นจึงมีการเล่ตรงเล่ซ้ายเล่ขวาพันธ์ก็แปลว่าสังคตะรมประชุมกันเท่านั้นแหละขณะที่เห็น จะมีใครแล้วที่ที่จะมาเห็นมาแลซ้ายแลขวาเป็นต้นอันนี้เราว่าไม่ลุ่มหลงงมงายด้วยอานาจของอสัมโมหะสัมปัญญะพิจารณาปัจจัยจริงๆแล้วในขณะที่เห็นสามารถพิจารณาตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเจ็ดวิธีด้วยกันเจ็ดวิธีวิธีที่หนึ่งมูลปริญญา วิธีที่สองอาคันตุกะวิธีที่สมตาวากาลิกะวิธีที่สี่ขันห้าอายตนะหกธาตุเจ็ดปัจจัยเนี่ยนะเครียกว่าไม่เบลอเจ็อย่างด้วยกันเนี่ยนะเรียกว่าไม่เบล อ, อ, นน ไ, มบลอไม่เพลอรเรอเพราะมีความรอบรู้แต่ถ้าเจวิธีนี้นึกอะไรไม่ออกแม้แต่อย่างเดียวอก็อน่าเห็นใจเหมือนกันนะแต่เขามาว่าถ้าไม่ได้อะไรก็เวลาลืมตาก็นึกถึงพระพุทธพจ น, น์ิยามทั้งสูตรก็ได้ ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็เอาอย่างนี้ก็ได้อาศัยจากคกรูกับรูปเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสมอย่างธรรมะสามอย่า ง, รราางประชุมกันเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณห า, าเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีตาเพราะการลืมตาเพื่อสร้างตาเนี่ยนะก็นะก็ถ้าผู้ใดที่มีความรอบรู้พิจารณาตา โดยปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวไปแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดตันหาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับตาก็ดับตาจริงๆเนี่ยทำให้บอดเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าจะดับมันจริงอ่ะยากนีนะหูเนี่ยทำให้หนวกไม่ยากแต่ถ้าจะดับหูจริงๆอ่ะยากจมูกทําให้มันหมดประสิทธิภาพไร้กลิ่นไปเลยทําไม่ยาก แต่ว่าจะดับจมูกจริงๆอะยากลิ้นเนี่ยจะให้มันเลิกรู้รสขูดทิ้งไปเลยก็ไม่ยากแต่ว่าจะไม่มีดับชิวหาภาษาท่แท้จริงในยากร่างกายเนี่ยนะทำให้มันตายไม่ยากแต่ว่าให้มันดับจริง ๆ, ๆอะยากใจทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดได้แต่ว่าจะดับมันจริงๆมะยากเนี่ยดับมันแท้จริงอะยากเพราะว่าอย่างที่ดับก็คือของเราทั้งหลายโดยมากก็แปรสภาพนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการดับที่ แเที่ยงแท้และถาวรธรรมะที่จะทําให้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เที่ยงแท้และถาวรนั้นก็คืออริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะคืออริยมรรคที่สัมผัสกับพระนิพพานแล้วนั่นแหละการดับสิ่งเหล่านี้จึงจะมีอยู่จริงถ้าไม่ได้สัมผัสกับพระนิพพานเป็นที่ดับทุกขเป็นธรรมที่ดับสงบประงับสังขารยากที่จะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะเนี่ยถ้าจะดับใจนี่ไม่ใช่ดับง่ายๆเนะ ดับยากยากเพราะว่าตัวนี้มันไลหลไปหาปฏิสนธิปฏิสนธิก็ไลหลสืบเนื้อไปหาชาติชารามรณะโสการปริเทวทุกโทมันั้อุปายาตจุติแล้วก็ปฏิสนธิไลหลไปสู่ชาติชารามรณะเนี่ยนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายที่ที่จะดับมันได้จริงๆ นั้นอริยมรรคที่พระองค์แนะนำว่าการปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้นะปฏิบัติให้รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อควา ม, วามผลทุกข์พันวิธีพิจารณาทั้งโดยศาตกะสัมปชัญญะ ในขณะที่เห็นสั ป, ปายะสัมปชัญญะขณะที่เห็นเจริญสมถภาวิปัสนาได้เวลาเห็นแล้วก็ไม่ลุ่มหลงงมงายพิจารณามูลปริญญาอาคันตุกะตาวะกาลิกะขันอายะตนณะธาตและปัจจัยปฏิจจสมุบาติประมวลอย่างลงสัวอริยสัตว์ได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้พันก็คิดว่าเมื่อใดเนาสักวันหนึ่งเราจะต้องลืมตาและเห็นอริยสัตว์เอ้มันต้องมีใจก่อนนะถ้าไม่มีใจก่อนยากให้ฟลุกไม่มีทางเนี่ย ไม่มีแน่นอนว่าโอ้โหเดินสะดุดลืมตาเลยติ้งเลยขึ้นมาไม่มีหรอกต้องตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยว่าต้องสักวันนะจะต้องแทงตลอดจากขูจากขูสมูทายจากขูนิโรธจากขูนิโรธข่ามินีปฏิปทาสักวันต้องแทงตลอดรูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธข่ามินีปฏิปทาสักวันต้องแทงตลอดจากขูวิญญาณจากขูวิญญาณสมูทายจากขูวิญญาณนิโรธ จกักขูวิญญาณนิโรธขามินีปฏิปทาสักวันต้องแทงตลอดจักขู่สัมผัสจักขู่สัมผัสสมุทัยจักขู่สัมผัสนิโรจกักขูสัมผัสนิโรธขามินีปฏิปทาเป็นต้นถ้ามีเป้าหมายมีโครงการมีอัธยาศัยเช่นนี้คงไม่กี่กับก็คงได้ตรัสรู้แล้วนะเว้ยเรารอมานั้งอยู่ได้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามันสั้นถ้าอยากสั้นกว่านั้นก็แล้วแต่ความเพียร พระพุทธเจ้าบอกว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติถ้าเพียรมากก็บรรลุเร็วถ้าไม่เพียรเลยเนี่ยยากนะคนที่เกียจคร้านเนี่ยยากที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้แต่คําว่าเพียรขนาดนี้ก็ไม่ได้ลุกลี้ลุกลนอะไรก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าการพิจารณาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ใจที่ตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้จึงพิจารณาได้ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเลยยากถ้ามันฟุ้งซ่านจริงทําอะไรไม่ได้สวดมนต์กิติปิโสพระขวาเป็นต้นไม่ใช่อะไรจะชวนสวดนะเนี่ย จิงยงเมื่อตั้งวันก็สวดแล้วนะก็ น, นี่ก็ขออนุมโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เอกระทำรรนี้ท่านขอจงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะปฏิบัติในสติปัฏฐานถึงความถึงที่สุดแห่งทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลเจริญ ง, งอกงามในกุศลธรรมจงมีแก่ทุกท่านเจริญพรวันนี้ใช้เวลาเท่านี้